Ram Saran Garicha. ตอนที่แล้วพระสมณโคดมเริ่มมาเป็นพิยงาแบบของโยบีแต่ยังเป็นพระวิถนความเดิมเจ้าชายทิวาทันไม่ชีว่าเจ้าชายสินิขันธ์จะสละที่นี้แต่ามและคิดว่าการบรรพชาเป็นกโนบายมากกว่าสมณโคดมเสด็จขมาพิการจารในโรงราชคลินแหวนบกชามือแตกตื่นต่างบานรณว่าเป็นเทพเียร์นาพระเจ้าพพิสาสัรหทหารตามสืบวิความสงสาร เหการจะเป็นอยน่างไรต่อไขอเชิญติดตามรับฟังละครวิทยุรืพระพุทธเจ้ามหาบุรุษแห่งชมพูทวีตอนที่๑๖ได้ณ ได้อาหารเพียงพอแก่ความต้องการเพื่อยังชีพแล้วจึงจะนั่งฉันที่ร่มเงาแห่งภูเขาปันดวนหน้าเมืองราชครึ่นแต่ดูสิอาหารที่ชาวเมืองตักบาดมาผสมปนเปกันจนกลายเป็นปฏิปุระเห็นแล้วน่าขืนไส้เวียนเราจะฉันอาหารที่ชวนให้อาเจียนได้ไหมไรสสายเจ้าเห็นไหม นักบวชนั่นมีอาการขย้อนในลำคอพอมองเห็นอาหารขาวว่าทนทานฝืนกินเข้าไปไม่ได้เป็นแน่แต่นักบวชนั่นกำลังเพ่งมองอาหารอย่างพินิษพิจารณาเราดูซิว่าจะสามารถกินอาหารปฏิกูลพวกนี้ได้ไหมสมณโคดมเจ้าเป็นอะไรเป็นพวกมากๆในการบริโภคตั้งแต่เมื่อไหร่อาหารทั้งหลาย ไม่ว่าดีหรือเลวเมื่อกลืนลงไปก็จะเข้าไปปะปนในกระเพาะรำไส้และเมื่อร่างกายขับขับมาก็จะกลายเป็นปฏิกูลที่เน่าเหม็นทุกครั้งไปชาวมารทั้งหลายบริจาคเป็นทานเจ้าจะไม่รับอาหารพวกนี้าานแล้วจะมีหน้าว่าหวดเพื่อหลุดพ้นอะไรกันอีกจงรักทิฐิเสถิดสมณโคโดมนและบริโภคอาหารนี้ ดูสิสหายในที่สุดนักบวชก็กินอาหารได้โอ้และไม่มีการขึ้นเห็นเหลือเจนให้เห็นโอ้ช่างเป็นผู้ประเสริฐจริงๆข่าว่าเรารียบไปกราบบังคมทูลองค์นื้อหัวพิมพิสานกันดีกว่าแล้วเจ้ามัวชักช้าทําไมละสหายตามที่พวกเจ้าเล่ามา ไม่ค่าคิดว่านักบวชนั่นต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่แน่เสด็จพี่ทรงคิดว่าจะเป็นเทพพญดาหรือพระจานาแปลงกายบัลลปเพชรส์คะพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกเทวีแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าชายหรือผู้สูงศักดิ์จากเมืองใดในระแวกนี้แต่ถ้าจะให้ดีพี่จะลองไปพบกับเขาเพื่อให้เรารู้แน่ว่าเขาเป็นใคร สงให้หม่อมฉันโดยสเสด็จด้วยนะเพคะอย่าเลยเวเทีเทวีน้องหญิงไม่ควรออกไปไหนในเวลานี้เพราะกำลันนงมีใครเออแต่หม่อมฉันเออแล้วพี่จะกลับมาเล่าเดี่ยวกับนักบวชพูนั้นทาหารพวกเจ้านำข้าไปเดี๋ยวนี้รับด้วยเก้าพระเจ้าค่ะ การบางทีตัวจะไปแลว้วพระเจ้าค่ะนับว่าเรามาทันเวลาพอดีดูก่อนโยคีหนุ่มท่านเป็นใครมาจากที่ไหนเจริญพรมหาบพิตรอาตามภาพคิดว่าท่านน่าจะเป็นราชาแห่งแคว้นนี้ท่านรู้ดีแล้วยังไม่ถวายความเคารพองคเหนือหัวพิมพิสารอีเลียงไงเจ้าหุบ ป, ปากแล้วนิ่งไว้โยคีมีลักษณะมหาบุรุษอันพบได้ยากในบุคคลธรรมดา หาเราจะถามความเป็นมาของท่านละ่ะท่านโยคีอัตตมะมีนามเดิมว่าสิทธัตถะแห่งวงศักยะเมื่อออกปันประชาจึงถือเอาโคตโคตมะเป็นชื่อว่าสามณะโคดมเจ้าใช้สิทธัตถะติ่แท้ท่านเองหรือนี่พี่รู้สึกยินดีที่ท่านผู้เปรียบเสมือนน้องชายได้เดินทางมาถึงที่นี่เราเข้าไปในเมืองกันดีกว่า พี่จะเตรียมมาหารรสเลิศบำรุงบำเรอน้องชายในฐานะพระราชันยุกะของพี่สิทธัตถะพี่เคยได้ยินและรู้เรื่องราวของท่านดีถ้าท่านยอมอยู่ที่นี่ตลอดไปแวนมรดของพี่ที่กว้างใหญ่พี่จะแบ่งครึ่งให้น้องครอบครองและอภิเษมเหสีที่งดงามให้เจริญพรมหาบพิตรจิตอันปรารถนาดีของท่าน อาตมาภาพไม่อาจรับไว้อาตมาเคยผ่านทางราชสมบัติแห่งกรุงกบินละพัดและมีชายาที่งามกว่าหญิงใดแต่ทุกอย่างล้วนเป็นกิเลสอันเป็นเหตุให้คล้องอยู่ในกามจนหลุดพ้นไม่ได้อาตมาจึงลีกออกมาเพื่อแสวงหาความหลุดพน้นนี้และมหาบอภิษยังทรงคิดให้อาตมาหวนกลับไปยินดีในรูปรสกลิ่นเสียง และสัมผัสทั้งหลายอีกหรือไรท่านกล่าวเช่นนี้ทาให้ข้าพระเจ้ามั่นใจว่าท่านจะบรรลุธรรมอันวิเศษหรือการดับทุกข์ได้ข้าพระเจ้าจึงไม่เสาสีต่อไปเพียงแต่จะขอคาสัญญาว่าถ้าท่านปรัสรู้เป็นพระสัพพันญูพุทธเจ้าเมื่อไหร่ขอให้เสด็จมาโปรดข้าพระเจ้าให้มองเห็นธรรมอันสว่างเช่นกันที่นี่อัตามาสัญญาว่าจะกลับมา เจริยพรสาธุ กินอาหารไม่ลงอีกแล้วหรือเวเทหีน้องหญิงแปกจริงไปคะทำไมการแพ้ท้องลูกคนนี้ของมฉันเตือนได้รู้สึกอยากกินแต่อออของพี่ใช่ไหม <c oughs> สมแล้วที่โหรทำนายไว้ว่าลูกเราที่เกิดมาจะเป็นปิตุคาดหรือว่าทำร้ายพี่ในภายหน้าพระอาญาไม่พ้นกล่าวถ้าเช่นนั้นเขาก็ไม่ควรเกิดมา ด้วยถ้าเกิดเมื่อไหร่ไม่ได้นะห้ามคิดห้ามทำอะไรที่เป็นอันตรายกับลูกพี่พอเราอุ้มชูเลี้ยงดูลูกให้ดีโดยความรักและเมตตาพี่เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้วิธีแรกก็คือน้องหญิงคลอดลูกเมื่อไหร่หากเป็นชายพี่จะให้ชื่อลูกว่าอัจฉริศัตรูหมายถึงผู้ไม่เป็นศัตรูใคร น้องกลัวเรื่องคำทํานายของโลนและเกิดเป็นค้าศึกพี่เหมือนดังที่มีผู้ทํานายเกี่ยวกับเจ้าชายสิทธัตถะองค์นี้ที่จะได้ตรัสลรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมใช่พคะน้องจึงได้ฟืดคำทํานายด้วยการส่งข่าวให้พระเจ้าสุโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสทรงทราบว่าเจ้าชายประทับอยู่ที่ไหนเผื่อพระราชาองค์นั้น จะทรงหาทางแก้ไขเปลี่ยนคำทำนายหรือคำพยากรณ์ได้ใดิ่ไหคะเสด็จที่สี่ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ พอแจ้งว่ามีพระกระแสรับสั่งให้เข้าเฝ้าข้าพระพุทธเจ้าก็รีบมาทันทีดีมากกาลุกคายิเรามีงานให้เจ้าไปทำเดี๋ยวนี้และเป็นงานที่สําคัญมากด้วยนะข้าพระพุทธเจ้ายินดีถวายชีวิตเพื่อองงเหนือหัวและพระมเหสีพระเจ้าค่ะก็เป็นงานเก่าที่เจ้าเคยรับอส่าไว้นั่นคือการนํากําลังคนไปติดตามสิทธะให้กลับมาโดยใช้วิธีใดก่ได้ขอเดชะแล้วเวลานี้ เจ้าชายประทับอยู่ที่กรุงราชครึกแควมคตของราชาพิมพิสารแต่ตอนนี้ออกเดินทางมุ่งตรงไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนาณิคมเจ้ารู้จักไหมข้าพระพุทธเจ้าเคยเดินทางผ่านไปยังตำบล น, นั้นพระเจ้าค่ะพระมเหสีงั้นเจ้าก็ออกเดินทางได้แล้วการรุกขยารับด้วยเกล้าพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมลา หวังว่าการุธายีคงจะพาสิทธัตถกกลับมาได้นะเพคะเสด็จพี่การุธาีเป็นคนม่ไหวพี่มเฉียวฉลาะคงไม่ทำงานพลาดเป็นแน่ประจำิอ้าวแล้วนี่น้องหญิงจบไปไหนหม่อมฉันจะไปตำหนักของพิมพาเพื่อแจ้งให้นางรู้ไว้นางจะได้ดีใจที่ได้ข่าวพระสวามี ข่าวดีจริงๆเพคะเสด็จแม่เหมือนดมฝนทิพย์ที่ตกลงมาชโลมใจหม่อมชันโดยแท้เพคะแม่เข้าใจจิตใจลูกดีพิมพาใบหน้าที่เคยสดใสงดงามของเจ้าในเวลานี้ก็ดูหม่นเศร้าหมองสีรูปร่างที่เคยมีน้ำนวนทั่วกายก็ผ่ายผอมตรอมใจพระชายาสเสวยไม่ได้บัรทมก็ไม่หลับเพคะพระมหเหศรี พูดมากนะ่ะเกษณีแต่หม่อมชันก็เห็นด้วยกับพี่เกษณีนะเพคะเอ๊ะพวกเจ้าคิดจะรวมเรากันหรื อ, อยังไงเดี๋ยวเปลี่ยนนาะมกำนันใหม่ซะเลยนี่อยา่าคุณเครื่องรัศมีหรือเกษณีเลยนะพิมพาที่สองคนพูดคงพอเป็นห่วงลูกมากกว่าเสนอหน้าฟ้องแม่เวลานี้แม่อยากให้เจ้าธนูบำรุงร่างกายไว้สิทธาถา ก, กับมาเห็นจะได้ไม่เป็นกังวลเพราะความห่วงใยนะพิมพา ว่าแต่ราหุลหลานย่าอยู่ไหนหรือไปเล่นอยู่กับใครเจ้าชายราหุลเสด็จมาแล้วเพคะไม่เห็นกันไม่กี่วันหลานย่าวิ่งได้แล้วเดีอนี่ถวายบังคมเสด็จย่าสิเพคะคอมคอมเสด็จย่าดูทําท่าไหว้เขาสิหน้าตีจริงๆราหนนุลนี่น้าตีที่ไหนราหุลหลานย่าน่ารักเอาเห็นไหม <c oughs> ราหุลน่ารัก สเตเดทพี่หม่อมฉันอยากให้เสด็จกลับมาทอบระแน่เห็นลูกของเราในเวลานี้เลอเกินทีค่ะ แล้วถ้าหายทั้งห้าแต่ว่าพวกท่านเป็นใครจึงพากันมาขวางทางที่อาจามาจาริกไปเช่นนี้เป็นอย่างที่ค า, าดไว้จริงๆนี่น้องเราทั้งสี่อย่าโมนิ้นเฉยซิทำความเคารพเจ้าชายสิท ธ, ธาทาัตถะดีๆไบังคมพระเจ้าค่ะลุกขึ้นเถิดท่านทั้งห้าอัตมาสมมนาโคดมเมื่อบรประชาก็สละยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งไป ไม่จําเป็นต้องให้ใครมานอบน้อมกราบไหว้เหมือนเป็นเจ้าชายอีกแล้วล่ะว่าแต่พวกท่านเป็นใครกันบ้างล่ะข้าพเจ้าเดิมเป็นพราม น, น, นามว่ากุลธัญญาเมื่อครั้งที่พระองค์ประสูตินั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมพยานกรกับพรามท่านผู้ใหญ่ว่ากต่ยอดช้าสุาดิศบมรพชาจะสําเร็จสัพพนิลตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าจึงจากเรือนมาบวชเพื่อรอคอยการตรัสรู้ของ เพื่อจะได้เป็นพุทธสาส่วนบริภาชุกทั้งสี่นี้มีชื่อว่าวัปปะพัทธยิยะมหานามะและอัสสจีตามเป็นบทของรามชนาที่ตามครทาเจ้าพวกเราทั้งห้ารวมกันเรียกว่าปัญจวัคคีในระหว่างที่รอคอยท่านได้เข้าศึกษาธรรมวิชากับอาจารย์อาราราดาบทกาลามโครอยู่แต่ยังไม่รู้แจ้งอะไรอัตมะก็สนใจหลักธรรมวินัย ของอาจารย์อาราระดาบทท่านนี้จึงได้เดินทางมาที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนี้บางทีอาจจะมีทางหลุดพ้นได้ขอให้ท่านปัญจวัคคีย์ทั้งหลายช่วยพาไปหาท่านอาจารย์ให้ทีด้วยความยินดีอย่างยิ่งผู้ข้าพเจ้าจะพาท่านไปเดี๋ยวนี้ มีมาศึกษาเล่าเรีกับขามิจิลาตรีก็สาเร็จสมาบัติเจ็แล้วเห็นไมร่กสมาบัติเจ็ดมีอะไรบ้างที่รับนัะจาร์ก็มีปฐมฌานหนึ่งทุติยฌานหนึ่งตติยฌานหนึ่งจตุธาฌานหนึ่งอากาสานัญจยตนาฌานหนึ่งวิญญาณัญจยตนาฌานหนึ่งและอจินัญจยนาฌานหนึ่งเป็นการประพฤิซึ่งพระวจจันในธรรมวินยัย ท่านสมณะโคโดมรืมตาแสดงว่าออกจากฌานแล้วขอรับอาตมาขอภัยที่ไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับท่านอาจารย์ไม่เป็นไรไเป็นไรครับระหว่าเราบัด น, นี้มีความรู้เท่าเทียมกันจึงไม่ได้เป็นครูเป็นศิษย์กนันต่อไปขณะนี้ก็รู้แจ้งธรรมะเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรจะสอนท่านต่อไปได้แล้วสมณะโดมท่านเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งแล้วใช่ไหม หาไม่ได้กนธรรัญญาธรรมะของท่านอาจารย์นี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความใคร่กำนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งและไม่เป็นไปเพื่อนิพานเพราะยังมีความเป็นอารมณ์มันก็ต้องมีบางสิ่งสมณครุนเพราะมีอารมณ์จึงยึดเหนี่ยวนวงจิตเอาไว้ได้ ข้าใจท่านเป็นผู้รู้เสมอค้าเป็นหัวหน้ารวมกันในสมมักนี้เพื่อสางสอนสาธรสิษย์ต่อไปจนดีมั้ยละขออภัยท่านอาจารย์อาตมะยังต้องการศึกษาต่อไปจนกว่าจะหลุดพ้นหรือถึงซึ่งพระนิพพานได้ถังงั้นลองไปศึกษาข้าท่านอาจารย์อุทธกดาบทในสมนักที่อยู่ไม่ห่างขนาดดีมั้ยต้องจากบุญหัญญาต่อจะขอตามท่าน ข<จ><ป>้าไปด้วยข้าพระเจ้าเข้ า, ไ ป, าไป้ไปเจ้าดายดุจมาดกาลุทรีสปนักขณมรู้จ้าชายสิลปธารมพุทธั ออกจากสำนักของข้าไปหลายเวลาแล้วนะแล้วเจ้าชายเสด็จไปที่ใดต่อท่านอาจารย์พอจะรู้ไหมขอรับสมณะุคดมยังไม่พึงใจในธรรมะของข้าจึงขอราไปศึกษาที่สำนักของอุทกตาบุท ร, รมมาบมบุตรแต่ว่ายังอยูที่น่นหรือเปล่าข้าก็สุจรู้ได้แล้วพวกเราจะยังไงดีขอรับท่านธรมาตก็รีบตามเสด็จไปนะสิบางทีอาจจะทันก็ได้นะ แล้วถ้าเจ้าชายไม่ยอมเสด็จกลับกับพวกเราเรขอรับองค์เหนือหัวมีรับสั่งให้ใช้ทุกวิธีแต่ตอนนี้เราลาท่านอาจารย์อาลาระดาบทกันก่อนดีกว่าพวกกผมขอลาก่อนขอรับจเจริญพรท่านการุธายีก็ให้พวกท่านชมดีม่ใช่ป่ะพวกเราไปเอาไป จะใช้สิทธิ์ทางศาสนัดนหนุ่์การแสวงหาพื่อถึงสิ่งนิ่านของท่านคงไม่ใช่ใงานง่ายวใช่แล้วกาลุไชข้าคืออุทธกาดาบทตรามาบุ เป็นหพนัาสำนักนี่งั้นพวกข้าพเจ้าก็มาถูกที่แล้วขอรับเพราะท่านอาจารย์อาราระดาบทได้บอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จมาศึกษาอยู่ที่นี่ถ้าท่านหมายถึงผู้ที่เรียกตนเองว่าสมาณะโคดมแล้วก็เขาเพิ่งมาไม่นานนี่จะชื่ออะไรก็ทรงเป็นเจ้าชายที่พวกเรากําลังตามหาขอรับท่านอาจารย์แต่เสียดายที่เขาอยู่ไม่นานเท่าไหร่ เพราะอะไรหรือขอรับพระสมาณโคดมเป็นอริยะบุคคลที่เรืองปัญญาเขาใช้เวลาศึกษาในแนวทางในวสัญญานาสัญญายตนะอันได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็ได้บอกว่าบรรลุแจ้งเรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่ยังไม่เป็นไปเพื่อทางนิพพานแม้เรายอมมอบสำนักให้ท่าน ส ม, มณโคดมก็ยืนกลานไม่รับเอาไว้แล้วปลีกตัวจากเราไปพร้อมกับพวกปัญจวัคคีพระองค์เสด็จไปที่ใดหรือครับท่านอาจารย์ข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันท่านอมมารตแต่คาดว่าน่าจะอยู่ในมังคตชนบทแถวอุรุเวลาเสนานิคมนี้ถ้าพวกท่านพยายามค้นหาอีกไม่ช้าอาจจะพบก็ได้ พวกเราไปกันดีกว่าขอรับท่านธรดีเหมือนกันถือชักช้าก็ยิ่งเสียโอกาสและคลายกับเจ้าชายข้าพเจ้าขอลาท่านอาจารย์อุทธกระดาบทไปก่อนนะขอรับพวกข้าก็ขอลาขอรับพวกเราไป นายนำผู้แสดงสัจพฤษศรีหาเมธีปันทรัตน์พลเกียรติบุรีโชตสันศรีสริยาภร์วรการเจริญดีเปรมกมลโชติกาสเสถียนธานิตศรีสินรัตน์ตเกณิณิตรื่นศรีสุพิศราพัฒนเจริญพิทยารักสุทธิพัฒน์อ่อนปรางจรุพัเสเวตรรัตโชติกาเสเวตรัตอ่อนวีนาเจริญพิทยารักนัทพงศ์มัฒนาบุญญาพันทึ์เสียงวรการเจริญดีกำกับการแสดง สัจพลดีหามีทีอำนวยการผล